4. โภชนะวัค 2. คณะโภชนะศิขาบทว่าด้วยการฉันคณะโภชนะเรื่องพระเทวทัต209สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อคระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเสื่อมลาบสการะจึงพากันออกปากขอพระทหารในตระกูลทั้งหลายมาฉัน พวกชาวบ้านพากันตาหนิประนามโพนทนาว่าฉนันพวกพระสมณะเชื้อสายสกยาบุตรจึงเที่ยวออกปากขอพัทหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเล่าพัทหารที่ดีใครจะไม่พอใจพัตาหารอร่อยใครจะไม่ชอบเล่าพวกภิกษุได้ยินพวกชาวบ้านตาหนิประนามโพนทนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตาหนิประนามโผนทนาว่าฉนัพระเทวทัตรพร้อมกับบริษัท เที่ยวออกปากขอประทาหารในตระกูลทั้งหลายมาชันเล่าครั้นพิกูุเหล่านั้นตำหนิพระเทวทัตโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ